แนะนำบทอัลอาลาบทอัลอาลาเป็นบทมักกียะมี 19 องค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆโดยย่อดังนี้ 1 องค์และคุณลักษณะบางประการของอัลเลาะห์และหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพของพระองค์ oh, 2 องค์การอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาแก่ศาสนทูตท่านสุดท้าย 3 คําแนะนําอันดีที่ จะเป็นประโยชน์แก่บรรดาผู้สนใจและศรัทธาจะได้รับประโยชน์บทนี้ได้เริ่มด้วยการให้ความบริสุทธิ์แก่อัลเลาะห์ซึ่งทรงสร้างและทรงทําให้มันดีขึ้นทรงสร้างและทรงทําให้สวยงามทรงให้หญ้าและพืชผักงอกเงยออกมาเพื่อเป็นความเมตตาแก่พวงบ่าวบทนี้ได้ใช้ให้ตักเตือนกันด้วยอัลกุรอานซึ่งบรรดามุมินผู้ศรัทธาจะได้รับประโยชน์จากทางนําของอัลกุรอาน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 ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอซัตบิฮิสมะรซบิกัลอาลลัซัลลัซีคอลักะฟะซาวาวัลลัซีกัดดะระฟะฮะดาวัลลัซีอัคเราะลมะฎอะฟะจะอะละฮูอุซานอะห์วะจงแซ่ 2 وا ซะดูดีพระผู้อภิบาลของผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงสร้างแล้วทรงทําให้สมบูรณ์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 วันตาซิงตีอัลเลาะห์ประสงค์แท้จริงพระองค์ทรงรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้นวะนูยัสซิรกะลิลยุสรอฟะดักกิรอินนะฟะอะตุซซิกรอซัยัซซะกะรุมันยะคชาวะยะตัจันนะบะฮัลอชกัลละบียัสลันนารัลกุบรอเราใช้ง่ายแก่เจ้าซึ่งบัญญัติศาสนาอันง่ายดายดังนั้นเจ้าจงตักเตือนกันเถอะ พระกาลตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์คนที่หวาดกลัวจะได้รำลึกและคนที่ชั่วช้ายิ่งจะหลีกเลี่ยงการตักเตือนนั้นซึ่งเขาจะเข้าไปเผาไม้ในกองไฟใหญ่ตุมมาลายามูตฟีฮาวะลายะฮยาและเขาจะไม่ตายในนั้นและจะไม่เป็นด้วยกอดอัฟละฮะมันตะซักกะวะซักะรัสมะร็อบบิฮิฟศัลลา แน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตนเองย่อมบรรลุสู่ความสําเร็จแล้วเขารำลึกถึงพระนามของพระผู้อภิบาลของเขาแล้วเขาทําละหมาดบัลตุฟิรุนัลฮายาตุดุนยาวัลอาคิเราะฮ์ค็อยรุนวะอับกอฮาไม่ได้แต่พวกเจ้าเลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทั้งหากทั้งๆที่ปรโลกนั้นดีกว่าและยั่งยืนกว่า إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فتاจริงข้อเตือนสตินี้มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆ มาแล้วคือคัมภีร์ของอิบรอฮีมและมูซา